จเจริญพรท่านทั่วมีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสุกที่ข้าทันวาคมเป็นวันสำคัญสำหรับชาวไทยเพราะว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันที่เราจะได้มาแสดงความกตัญญูกับแต่เวทีความเคารพพ่อของพวกเราทั้งพ่อที่เป็นผู้ให้กำเนิดกับเราและพ่อที่คอยดูแลรักษาประเทศชาติของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข การมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นรากเงาของความเจริญผู้ใดที่ไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีผู้นั้นจะไม่สามารถเจริญติบโตไปได้เหมือนกับต้นไม้ที่รากถูกทำลายไป ต้นไม้จะไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามขึ้นไปได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสำคัญต่อความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูนี้แปลว่าความสานึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณ กาตอบเวทีหมายความว่าทดแทนตอบแทนบุญคุณแก่ผู้ที่มีพระคุณอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็สมตดแทนบุญพระคุณของพ่อของแม่เช่นเวลาที่หลังจากได้ทรงตัดสโรเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงโปรดพระพุทธมารดาที่ได้เสด็จสวรรคนไปสู่สวรรค์แล้วแต่พระองค์ทรงมีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้สามารถติดต่อกับเทวดาที่อย่างในนั้นก็เป็นพระพุทธมารดา ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาอยู่เป็นเวล า, 1, าหนึ่งพันษาคือระยะเวลาสามเดือนจนทำให้พระพุทธมารดาได้บรรลุพระอริยะผลขั้นที่หนึ่งคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอา น, นิสงส์ของพระโสดาบันก็คือ จะไม่ไปเกิดในอาบายอีกต่อไปจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะบรรลุถึงพระนิพพานภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพบทธเจ้าทรงตัดว่าผู้ใดที่สามารถที่จะช่วยบิดามารดาไม่ให้ต้องไปเกิดในอาบายได้ ผู้นั้นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาอย่างสมบูรณ์ถ้ายังไม่สามารถทำถึงขั้นนานได้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณอย่างเต็มที่เช่นหากเราจะเลี้ยงดูท่านคอยรับใช้ท่าน คอให้ท่านดูแลรักษาท่านให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปจนถึงวันสิ้นอาชีพสิ้นอายุของท่านต็อคุณของท่านก็ยังใช่ไม่หมดดังนั้นเราจะไม่ควรที่จะมองข้ามความสำคัญของความกตัญญูกตเวที เพราะถ้าเราไม่มีความกระตันยูกระตเวทีต่อผู้มีเกีคุณเช่นบิดามารดาของพวกเราแล้วคนอื่นเขาจะมีกะจิตกระใจที่จะมาช่วยเหลือเรามีมาให้อะไรกับเราได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีความกระตันยูก็เป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้กับเรา แต่ถ้าเรามีความสำนึกในบุญในคุณของผู้และพร้อมที่จะทดแทนบุญคุณตามความเหมาะสมผู้ที่เขาให้ความช่วยเหลือเราอุปถัมภ์ค้ำจุนเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะช่วยเหลือเราสนับสนุนเราต่อไป นงนั้นขอให้พวกเราพยายามระลึกถึงพระกุณของบิดามารดาอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเวลาที่เราไม่ได้ลราลิกถึงเราก็อาจจะลืมได้จึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่ทุกครั้งที่เรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะกราบ บิดามารดาด้วยการกานี้ก็เพื่อที่ให้เราได้รำลึกถึงพระคุณนั่นเองเชนเวลาเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ควรจะรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงพระคุณของพระธรรมคำสอนรำลึกถึงพระคุณของพระอริยสงสาร บรรลุถึงพระคุณของบิดามารดาเพื่อจะได้เป็นการเตือนใจไม่ให้หลงให้หลืมว่าเราเป็นนี่เราต้องใช้นี่ถ้าเราเป็นนี่แล้วเราไม่ใช้นี่เราก็จะเป็นคนโกงดังนั้นเราจึงควรดำลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบิดามารดาบิดามารดานี้เป็นเหมือนกับพระอาหารหันต์ของพวกเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราได้ทำบุญกับบิดามารดาถือว่าเราได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์แล้วเราไม่ต้องออกไปหาพระอาหารหันต์ตามวัดต่างๆ เรามีพระอาหารหันต์อยู่ในบ้านของเราสองคนขอให้เราทำบุญกับพระอาหารหันต์ของเราก่อนไม่ใช่ปล่อยให้พระอาหารหันต์ของเรานั้นอยู่แบบทุกข์ยากลำบากแล้วเราก็ไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านถ้าเราได้ไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านที่แท้จริงท่านก็จะเตือนจะสอน ให้เรากลับไปทำบุญกับพระอาหารหันต์ในบ้านของเราเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างสูงสุดเพราะถ้าไม่มีบิดามาดาพวกเราจะไม่มีชีวิตอย่างที่เรามีอยู่ได้ในวันนี้นี่แหละคือบุญคุณของบิดามาดาของพวกเราที่ไม่เหมือนกับบุญคุณของผู้อื่น ผู้่าจจะให้ทรัพย์กับเราได้ให้ยศให้ตำแหน่งกับเราได้แต่เขาไม่สามารถให้ชีวิตกับเราได้ผู้ที่มีพระุณมากกว่าบิาดามารดาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้กับพวกเรานี้มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิต ที่พ่อแม่ที่บิดามารดาให้กับเราเพราะชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่มีขออมีเคมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายไปในที่สุดแต่การมีชีวิตเป็นมนุษย์นี้เป็นโชควาสนาอย่างยิ่งถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะให้ความดับทุกข์กับเราจะสอนให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปจะสอนให้เราตัดการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายซ้าแล้วซ้าอีกอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ ทุกครั้งที่เราเกิดนั้นเราจะต้องเดินไปสู่ความแก่เดินไปสู่ความเจ็บไข้ได้ปวด่วยเดินไปสู่ความตายที่ไม่มีใครอยากจะเผชิญกันแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนที่เกิดมาแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามลาดับ นอกจากผู้ที่ไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถึงจะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายและผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้จากวิธีทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ทําให้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย นี่คือพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สูงสุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้อย่างที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ได้ก็เพียงความสุขชั่วคราวแต่ไม่สามารถดับความทุกข์ของเราได้ไม่สามารถยับยั้งความแก่ ความเจ็บความตายได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทานั้นที่สามารถดับได้ดังนั้นถ้าพวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงถือว่าเราเป็นผู้มีโชควาสนามากมีบุญมากมากกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งสี่ เพราะว่าเงินที่เราได้จากการถกลอตเตอรี่ร้อยครั้งผันครั้งนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่การมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศึกษา พระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงค์ศึกษาคำสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัตินี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปและทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือ ความวิเศษของพระพุทธศาสนาและโชควาสนาของพวกเราที่ได้มาพบดังนั้นหลังจากที่เราได้พบแล้วสิ่งที่เราควรที่จะทำต่อไปก็คือควรขวนขวายศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องเมื่อศึกษาแล้ว รู้ว่าท่านสอนให้เราทำอะไรเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเช่นเบื้องต้นก็สอนให้เรามีความกตัญญูกะตะเวทีให้เราลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาต้องยกท่านไว้เหนือศีลเก้าเวลาที่ท่านสั่งสอนเราบอกอะไรกับเราถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจเรา เราไม่ควรที่จะไปโตเถียงหน้าที่ของลูกต่อบิดามารดาก็าคือต้องให้ความเคารพในทุกกรณีไม่ว่าบิดามารดาจะทำอะไรผิดหรือถูกดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะไปว่าเล่าติเตียนหรือโตเถียงคาสอน ของบิดามารดาหน้าที่ของลูกป็นเหมือนนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่ฟังครูบาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนฟังแล้วเอาไปพิจารณาถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกก็ควรจะนำเอาไปปฏิบัติถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทำไปแล้วเกิดโทษก็ไม่ต้องปฏิบัติตามการไม่ทำตามคำสอนที่ผิดที่ไม่ถูกที่สร้างโทษให้กับเราและกับผู้อื่นนั้นไม่เป็นการเนรคุณหรือไม่เป็นการไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีแต่การโต้เถียงนี้เป็นการไม่ให้ความเคารพ และการว่าก่าวบิดามารดาก็ถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ดีไม่ยกย่องไม่เชิดชูไม่ยกท่านให้อยู่เหนือเสียงก้าวของพวกเราที่นี่คือวิธีที่เราควรจะปฏิบัติกับบิดามารดาเพราะบิดามดารดนี้ท่านมีแต่ความปรารถนาดีกับเรา มีความเมตตากรุณาอยากให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนมีคุณภาพมีวิชาความรู้ไว้สำหรับเลี้ยงดูตนเองมีคุณธรรมความดีมีศีลธรรมไว้ปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้ตกต่ำ ดังนั้นเวลาที่บิดามารดาว่ากล่าวตักเตือนเราเราต้องน้อมเอามาปฏิบัติให้ได้เช่นถ้าเราท่านเห็นว่าเราชอบพูดปดท่านก็เตือนเราว่าอย่าพูดปดถ้าเห็นว่าเราชอบทะเลถลายไม่ชอบทํางานทําการทำหน้าที่ของเราเวลาท่านเตือนก็ต้องเอามาปฏิบัติตามให้ได้ พอเวลาที่เราปฏิบัติได้แล้วจะมีแต่ผลดีเกิดขึ้นกับเราเพียงอย่างเดียวจะไม่มีผลร้ายผลเสียหายตามมานี่คือพระคุณของบิดามารดานอกจากให้กำเนิดกับเราแล้วยังเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องถ้า มีบิดามารดาที่ใจร้ายใจบาป ก, ก็อาจจะถูกจับยัดถุงโยนทิ้งในถังขยะหรือถูกจับลงไปกดน้ำให้ตายไป mm hmm. เพราะบิดามารดาบางคนไม่มีความรับผิดชอบ mm hmm. เวลามีลูกแทนที่จะรับภาระกับไม่ต้องการที่จะรับภาระ ก็เลยเอาไปกดน้ำบ้างเอาไปทิ้งไว้ตามห้องน้ำบ้างเอาไปทิ้งตามสถานเด็กกาพร้าบ้างนี่คือบิดามารดาที่ใจบาปใจร้ายถ้าใครได้ไปเกิดกับบิดาบานมารดาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมไปก็แล้วกัน แต่ถ้าได้เกิดกับบิดามารดาที่มีความเมตตาการุณาพยายามรับภาระเลี้ยงดูตั้งแต่ข้อดออกมายอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากกว่าที่จะเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เป็นพู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้ สมัยนี้ก็คงจะหมดเป็นเป็นล้านทีเดียวถ้าไม่มีลูกก็สบายกว่าเอาเงินล้านนี้ไปทำอะไรต่างๆได้แต่พอมีลูกแล้วก็ต้องใช้นี่ลูกนี้เป็นเหมือนเจ้าหนี้พอเขามาเกิดแล้วเขามีแต่จะทวงหนี้ตลอดเวลาเช้าตื่นขึ้นมาก็ขอเงินแล้วมาทวงหนี้แล้วถ้าไม่ให้ก็ ฟาดหางฟาดงวงขึ้นมาแล้วร้องหผ่ร้องไห้อรารวานี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีสำหรับลูกที่ดีลูกที่ดีไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรจากวิดามารดาควรปล่อยให้บิดามารดาพิจารณาความเหมาะสมความสมควรท่านจะให้อะไรเราเราก็รับไว้ ท่านไม่ให้เราก็อย่าไปเศร้าซีอย่าไปขอเพราะว่าของที่เราขอนี่บางทีมันไม่เป็นประโยชน์กับเรามันกลับจะเป็นโทษกับเราเพราะมันจะทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำเช่นเอาของเล่นอยากได้ของเล่นพอได้ของเล่นแล้วก็จะเสียเวลาไปกับการเล่นของเล่นเกมต่างๆ ก็เลยจะไม่สนใจกับหน้าที่ของตนเช่นหน้าที่เรียนหนังสืออ่านหนังสือทำการบ้านหรือช่วยเหลือบิดามารดาเวลากลับมาอยู่บ้านไม่ควรที่จะปล่อยให้บิดามารดาทำงานตรากตรำถ้าเราสามารถที่จะแบ่งเบางานการได้ก็ควรที่จะกระทำ ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเช่นช่วยพ่อช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านช่วยล้างถ้วยล้างชามถ้าซักผ้าได้ก็ซักผ้าถ้าทำกับข้าวได้ก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำกับข้าวหรือทำอะไรที่พอที่จะแบ่งเบาภาระได้เราก็จะได้ไม่ ไปทำสิ่งที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แล้วเราก็จะได้วิชาความรู้ความสามารถถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะชำนาญเช่นถ้าเราทำกับข้าวบ่อยๆต่อไปเราก็จะทำกับข้าวเก่งต่อไปถ้าเราไม่มีใครทำกับข้าวให้เราเราทำเองได้ถ้าเราทำกับข้าวไม่เป็นเวลาไม่มีใครทำให้เรา เราอาจจะอดตายน่าเพราะทํากับข้าวไม่เป็นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทํานึงในฐานะที่เราเป็นลูกแล้วเมื่อเราโตขึ้นแล้วมีฐานะการเงินการทองที่ดีก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะคอยสอดส่องดูแลความเดือดร้อนความทุกข์ยากลําบากของบิดามารดาต่อไป ถ้าท่านมีอายุมากไม่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยตนเองก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมาคอยดูแลคอยรับใช้เพราะว่าการกระทานี้จะทำให้เราได้บุญ น, นั่นเองจะทำให้เราเป็นคนดีจะทำให้เรามีความสุขใจและจะทำให้เรา มีลูกที่จะเคารพนับถือเรามีความกตัญญูกตเวทีกับเราเพราะเราได้สอนเขาด้วยวิธีการกระทำของเราการสอนที่ดีก็คือการกระทำสอนด้วยการกระทำไม่ใช่สอนด้วยควาพูดเพราะบางทีเราสอนลูกสอนให้ลูกทำดี แต่การกระทำของเรากับไม่ดีเหมือนกับคำสอนของเราก็จะเป็นลักษณะเหมือนแม่ปูสอนลูกปูแม่ปูเห็นลูกเดินเฉไปเฉมาก็บอกสอนให้ลูกเดินตรงตรงแต่เวลาแม่เดินแม่ก็เดินเฉไปเฉยมาลูกก็ดูตัวอย่างจากแม่แม่เดินเฉลูกก็เดินเฉ ถ้าแม่เดินสุลาลูกก็จะเดินสุลาแม่สูบ่บรหีลูกก็จะสูบ่บรแม่ไม่มีความกระตันยูต่อบิดานานดาลูกก็จะไม่มีความกระตันอยู่ต่อบิดานานดาเพราะว่าการกระทําของเหล่านี้เป็นการสอนที่มีน้ำหนักมากกว่ า, าการพูดถ้าเราไม่สู่บุรีไม่เดินสุลา ลูกก็จะเห็นเราเป็นตัวอย่างเขาก็จะไม่เดินไม่สู้ดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสําคัญต่อการกระทําของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าลูกๆเราควรระมัดระวังไม่ควรกระทําในสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะทําให้เป็นตัวอย่างให้ลูกทํำตามเช่นทะเลาะวิวาทกัน พูดคำหยาบกันเดินรายเมาเล่นการพนันอะไรต่างๆที่ไม่ดีทำลายให้ถ้าเวลาอยู่ต่อหน้ารลูกๆเราควรที่จะยับยั้งจิตใจอย่าไปทำถ้าไม่ทำได้เลยยิ่งดีเพราะว่าการกระทาที่ไม่ดีนั้นมันเป็นโทษกับเราและก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น นี่คือเรื่องของการมาวัดในวันนี้เพื่อมารำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระคุณต่อพวงชนชาวไทยของเราพวกเราชาวไทยถ้าอยากจะโทดแทนพระคุณกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอให้เราน้อมเอาพระราชดำรัส คำส่งคำสอนของท่านมาปฏิบัติก็คือสองตัดไว้ให้พวกเรารู้รักสามัคคีกันให้เรารักกันสามัคคีกันอย่าทะเลาะวิวาสอย่าแตกแยกกันเพราะความแตกแยกจะทำลายจะทำลายประเทศชาติความสามัคคีเป็นปึกแผ่นนี้จะรักษาประเทศชาติของเราให้อยู่ไป ได้เป็นเวลาอันยาวนานถ้าเรามีความเห็นไม่ตรงกันก็ขอให้ถือหลักของนักปราชญ์ที่สอนไม่ว่าให้สมวนส่วนต่างระสารส่วนเหมือนถ้าเรามีส่วนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันมีการกระทำไม่ตรงกันเราก็สมวนไว้สำหรับตัวเราเองเราอย่าไปบังคับให้คนอื่นเขาทำตามเรา อย่าไปบังคับให้เขาเห็นตามเราเรามาประสานส่วนเหมือนส่วนใดที่เราเห็นตรงกันทําได้ร่วมกันเราทําสิ่งนั้นไปแต่ไม่ควรมาทะเลาะวิวาไม่ควรมาเอาแพร่เอาชนะกันขอให้เราคำนึงว่าเราเป็นเหมือนอวัยวะในร่างกายของเราที่จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เช่นเล่นกับฝันนี้ ลิ้นก็มีหน้าที่ของลิ้นฟันก็มีหน้าที่ของฟันถ้าลิ้นกับฟันกัดกันมันก็เจ็บขึ้นไปเป่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราทะเลาะวิวาทกันทำร้ายกันบ้านเมืองของเราก็จะถึงจุดจบอย่างที่เราคงเคยศึกษาจากประวัติศาสตร์กุ่มสีอยุทยาของเราที่แต่ก็เพราะว่า เราไม่มีความรักความสามัคคีกันเรามีความแก่งแย่งชิงดีกันเอารัดเอาเปรียบกันขาดความเมตตากรุณาต่อกันและกันจึงทำให้บ้านเมืองต้องล่มจมไปในที่สุดเราจึงควรศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเอามาเป็นคติเตือนใจเราถ้าเราอยากจะให้ประเทศชาติของเราอยู่กันร่มเย็นเป็นสุข เราต้องรักษามคัคคีกันถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรร่วมกันได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปทำร้ายกันต่างคนต่างอยู่กันไปต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนไปนี่คือวิธีของการที่เราจะได้ทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อของพวกเราพ่อที่คอยปกป้องรักษา ประเทศชาติที่เป็นเหมือนบ้านของเราเพื่อให้พวกเราได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้พวกเราจงทดแทนด้วยการปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็คือด้วยการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่เองถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะเป็นมงคลแก่เราดังในพระพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่า ปูชาจะปูชาดียานังเอตังมังกลมุตตะมังเป็นมงคลทั้งกับตัวเราและประเทศชาติของเราถ้าพวกเราช่วยกันดูแลรักษาให้บ้านเมืองของเราอยู่กันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขถ้าเราอยู่กันแบบทะเลาะวิวาทกันอยู่แบบแข่งแย่งชิงดีกันบ้านเมืองเราก็จะหุ่นวายและก็จะต้องล่มโจรไปไหนที่สุด ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตัวเราให้ดีคิดดีพูดดีทั้งมีทำ ด, ทำดีให้รักกันให้สามัคคีกันแล้วชีวิตของพวกเราและบ้านเมืองของพวกเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไห้เพียงเท่านี้